โคนันทวิสาร 13. ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองตักกศิลามีโคถึกชื่อนันทวิสารภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลโคถึกชื่อนันทวิสารได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นดังนี้ว่าท่านพราหมณ์ท่านจงไปทําการพนันเอาทรัพย์หนึ่งพันกหาปณ ะ, ะกับเศรษฐีว่าโคถึกของเราจะลากเกวียนหนึ่งรอยเล่มที่ผูกติด กันไปได้ภิกษุทั้งหลายทีนั้นพราหมณ์ได้ไปทําการพนันเอาทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะกับเศรษฐีด้วยกล่าวว่าโคถึกของเราจะลากเกวียนหนึ่งรอยเล่มที่ผูกติดกันไปได้ภิกษุทั้งหลายครั้นแล้วพราหมณ์นั้นก็ผูกเกวียนหนึ่งรยเล่มเทียมโคถึกนันทวิสารแล้วจึงได้กล่าวดังนี้ว่าเจ้าโคโกงแก จ, จ, จงฉุดเจ้าโคโกง แกจงลากไปครั้งนั้นแหลโคถึกนันทวิสารได้ยืนนิ่งเฉยอยู่ณที่นั้นเองพราหมนั้นแพ้พนันเสียทรัพย์หนึ่พันกหาปณะนะเศร้าซึมไปต่อมาโคถึกนันทวิสารได้กล่าวกับพราหมนั้นดังนี้ว่าท่านพราหมนเหตุใดท่านจึงเศร้าซึมพราหมนตอบว่าก็เพราะเจ้าทําให้เราต้องแพ้เสียทรัพย์ไปถึง 1,000 กหาปณะนะ โคถึกนันทวิสารกล่าวว่าท่านพราหมณ์ท่าเรียกข้าพเจ้าผู้ไม่โกงด้วยคําว่าโกงทําไมเล่าท่านจงไปทําการพนันเอาทรัพย์สองพันกหาปณะกับเศรษฐีด้วยกล่าวว่าโคถึกของเราจะลากเปลียนหนึ่งร้อยเล่มที่ผูกติดกันไปได้แต่ท่านอย่าเรียกข้าพเจ้าผู้ไม่โกงด้วยคําว่าโกงพราหมณ์จึงไปพนันเอาทรัพย์สองพกหาปณะกับเศรษฐีด้วยกล่าวว่า โคถึอของเราจะลากเกวียนหนึ่งรอยเล่มที่ผูกติดกันไปได้พิกษุทั้งหลายครั้นแล้วพรามนั้นก็ผูกเปวียนร้อยเล่มเทียมโคนันทวิสารแล้วจึงได้กล่าวดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเชิญฉุดไปพ่อมหาจำเริญเชิญลากไปเถิดครั้งนั้นแล่โคถึอนันทวิสารได้ลากเปวียนหนึร้อยเล่มที่ผูกติดกันไปได้บุคคลพึ่งกล่าวคำไพเราะให้พึ่งกล่าวคำไม่ไพเราะ ไม่ว่าในการในห น, หนเมื่อพราหมณ์กล่าวคําไพเราะโคถึกนันทวิสารก็ลากเกวียนหนักไปได้ทําให้พราหมณ์ได้ทราบตนเองก็ดีใจที่พราม์ได้ทราบเพราะการกระทําของตนนั้นภิกษุทั้งหลายคาําด่าคําศบประมาทไม่เป็นที่พอใจของเราแม้ในการนั้นฉไนบัดนี้คาําด่าคําศบประมาทจะเป็นที่พอใจเล่าภิกษุทั้งหลาย